การหนูตาค่ะของอุ้มอุ้มก็คล้ายๆกับพีคนเมื่อกี้นี้อะค่ะที่แบบคิดว่ารู้แต่จริงๆก็คือแบบพยายามมีสติไม่ให้ขาดเนี่ยค่ะแล้วก็ฝักนั่งฟังๆ ก, ก็ก็เหมือนเข้าใจแต่ว่ามันก็จะเห็นตัวเราทํานู่นทนํานี่แล้วมันก็อย่างอุ้มก็โยนี้สบอกตัวเองไม่รู้ถูกหรือเปล่าค่ะว่ามันจะจบลงที่แบบไม่มีตัวตนตรงที่คิดว่าถ้าเกิดตายถ้าเกิดตายร่างกายดับ จิตดับมันก็จะวางตัวเองไปได้ใช่ไคะก็งั้นแน่ถ้าตัวเราเนี่ยที่มันสามารถคิดนึกถึงตอมปรุงแต่งได้มีอารมณ์มีอาการอะไรต่างๆได้ไม่มีใครมายึดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเราที่สามารถคิดนึกถึงตอมปรุงแต่งได้แสดงกิริยาการได้ๆตัวนี้เป็นตัวตายเป็นตัวเกิดตัวดับตัวตายแต่ตัวที่เราเนี่ยมารู้ตัวเราเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายเพราะมันไม่มีตัวตนเราสังเกตดูสิ ตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจง้งเราเมีอาการสบายใจไม่สบายใจมีอาการสุขใจมีการสุขทุกเมีอาการแสดงกิริยาการอะไรต่างๆสบายใจเบากายเบาใจเบาตอนนี้โลกมากเลยเราเข้าใจเราไม่เข้าใจแม้แต่ตัวเราเข้าใจแล้ตัวเราไม่เข้าใจใครอ่ะมารู้ตัวเราเข้าใจเวลาเราไม่เข้าใจใครมารู้ว่าตัวเราไม่เข้าใจใครเป็นคนรู้อะเราอ่ะเราอ ร, รู้ตัวเราแนะ ไอเราที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวมันหาไม่เจอแต่ตัวเราเนี่ยไอที่ถูกรู้เนี่ยที่เราเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราไม่เข้าใจไอตัวเนี้ยเป็นตัวตายเป็นของตายเป็นของแตกดับต้องปล่อยวางไปใหมาเป็นเนี่ยผู้ที่รู้ตัวเราแต่ให้มาเป็นผู้ที่รู้ตัวเราแต่ไอตัวนั้นอ่ะมันไม่มีตัวไงมันไม่มีตัวเราจึงไปพยายามจะไปเป็นไอไอตัวผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเราไปเป็นไม่ได้เราจึงต้องมาปล่อยวางไอตัวที่ ตัวเราที่ถูกรู้แทนมันจริงจะไปเป็นในตัวนั้นโดยอัตโนมัติในเป็นผู้รู้ตัวเราแดยอตโนมัติเข้าใจไหมเนี่ยคือมันรู้อยู่แล้วค่ะมันรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเออมันรู้อยู่แล้วอ่ะมันรู้ตัวเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ในระ บ, บทใดในที่รับที่แจง้งมันจะรู้ตัวเราอยู่แล้วตลอเวลาและถ้าเกิดเราไปขยันอยากจะรู้ก็คือเราก็ตั้งรู้ใช่ไหมคะเอออย่างนั้นถูกต้องแล้วถูกต้องถ้าเกิดเรา เออ แ, แต่ก่อนตอนป่วยเนี่ยอุ้มก็ทิ้งทุกอย่างเลยทิ้งสอบทิ้งงานทิ้งทุกอย่างภาวนาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหายป่วยเนี่ยอุ้มก็กลับมาอ่านหนังสือสอบแล้วเราจะมันก็เหมือนภาวนาน้อยลงแล้วมันก็เลยกลับไปสุขกลับไปทุกจะทํายังไงให้เราแบบทําทั้งสองอย่างคู่กันหรือว่าควรจะต้องภาวนาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาแบบอ่านหนังสือสอบเพื่อความก้าวหน้าทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เราใจผิดเดียว ปฏิบัติมันก็ทำการปฏิบัติอย่างทำการอ่านหนังสือทํางานนั่นแหละคือตัวเรามันทําอะไรตัวเราก็ต้องถูกรู้ตลอดเวลามันจะขนาดตัวเราไปอ่านหนังสือในห้องอยู่คนเดียวมันก็ต้องรู้ว่าตัวเรากําลังอ่านหนังสืออยู่มันจะมันทำมันไม่เราหนีทำไม่ได้ทำก็คือมันผู้มารู้ตัวเราเป็นธรรมเราจะไปหนีธรรมได้ไงเราจะไปแบ่งธรรมกับแบ่งโลกคือแบ่งธรรมตอนเนี้ยเราจะไม่เป็นธรรมเราจะเป็นโลกอย่างเดียวอ่านหนังสือสอบอย่างเดียว ถามว่าเรานั่งเนี่ยแม้แต่นั่งอยู่อย่างเงี้ยนุนนั่งเนี่ยรู้ไหมว่านั่งอยู่รู้ค่ะไอ้นั่นน่ยคือไอ้ที่รู้เราเนี่ยรู้ว่าเรานั่งอยู่เนี่ยคือเป็นธรรมไอ้ตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นโลกเวลาเรานั่งอ่านหนังสือสอบเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องคนเดียวแม้แต่เรานั่งอ่านอยู่ฟังคนเดียวนะตัวเราที่นั่งอ่านหนังสือสอบอยู่เนี่นเนี่มันรู้ไหมว่าตัวเรากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่รู้ค่ะรู้ไอ้ตัวที่นั่งกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยเป็นโลก แต่ที่รู้ว่าตัวเรากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นั่นแหะเป็นธรรมเราจะไปแยกโงกแยกธรรมไม่ได้มันเป็นอยู่ในขนาดเดียวกันนั่นแหละคือโลกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทําเป็นผู้รู้โลกเป็นสิ่งที่ถูกรู้คือตัวเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยทั้งการคิดการพูดการทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนธรรมเนี่ก็คือผู้ที่บรรลุตัวเราเนี่ยแน่รู้ทั้งตัวเลยรู้ทั้งการคิดการพูดการทำเพราะฉะั้นเราเนี่ยอ่านหนังสือสอบเราก็รู้ไหมว่าเรากําลังนั่งอ่านหนังสือสอบ เราไปนอนแล้วรู so we we so chapters, ้ไหมว่าต you know, ัวเราเนี่ยไม่อ่านแล้วเราไปนอนรู้ไหมรู้ค่ะรู้เพราะฉนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยน่าอ่านหนังสือสอบเนี่ยเป็นโลกแต่อิมัรู้ตัวเราหน้า่าหนังสือสอบน่ยเป็นธรรมพอตัวเราไปนอนไม่อ่านหนังสือสอบตัวเราไปนอนตัวเราที่ไปนอนเนี่ยเรารู้ไหมตัวเราไปนอนน่ะรู้เนั้นไอ้ตัวเราที่นอนเนี่ยมันเป็นตัวถูกรู้มันเป็นโลกไอ้ผู้รู้เนี่ยทจิมัรู้ว่าตัวเรานอนเนี่ยเป็นธรรมธรรมเนี่ยมันคือรู้ตัวเรานี่แน่อยากตรงไปตรงมาซื่อเนี่ยเขาเรียกว่าธรรม รู้ซื่อๆเป็นทางแห่งนิงพพานหรือรู้ซื่อๆนิพพานเนี่ยรู้ตัวเรานี่เนี่ยตั้งการค e, like ิดการพูดการทําซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้ามันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันคือเอาตัวเราที่เป็นขาน่าเนี่ยไปรู้มันเลยไม่ตรงไปตรงมาคือมันมีการลําเอียงเอ็เอียงได้ชอบไอ้ที่ดีที่ชอบไอ้ที่ไม่ดีชังแต่ไอ้ที่มารู้ตัวเราอ่ะซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาอันนั้นน่คือธรรมเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารหรือเป็นสังกัตธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ แต่ตัวเราขันห้าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแตง่งมันจึงเป็นโลกพระเจ้าจึงตรัสว่าขันห้าเป็นโลกขันห้าเนี่ยเป็นโลคแต่ผู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยที่รู้ซื่อๆที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นธรรมค่ะดวงต้งอย่างนี้แสดงว่าที่อุ้มตอนนั่งอ่านหนังสือและปฏิบัติธรรมไปด้วยอย่างนี้คือผิดใช่ไหมคะคือนั่งอ่านหนังสือไปแล้วก็พยายามเหลือบดูว่ามันคิดนอกเรื่องคือพยายามจะรู้อะไรเงี้ยก็ผิดแต่ถ้าเกิดนั่งอ่านหนังสืออยู่ แล้วเห็นความคิดตัวเองบอกว่าเบื่อจังเลยขี้เกียจอย่างนี้ก็คืออยู่ อ, อย่างงี้ก็คือรู้ใช่ไหมคะไม่ไม่ได้มีตัวเราตั้งแต่ถ้าเกิดไปแบบตาก็อ่านหนังสือใจก็อยากจะปฏิบัติธรรมกลัวจะทิ้งรู้คอยจะต้องรู้ทุกคิดทุกอาการด้วยอ่านหนังสือด้วยอย่างเงี้ยก็คือมีตัวเราทนทีอันนั้นเราอาตัวขันหน้าไปพยายามรู้อันนั้นมันผิดมันหลงหลงคือ ขาดถ้าอันนั้นนําปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งพยายามไปรู้ไว้ปรุงแต่งพยายามไปรู้ไว้ไปไปคอยรู้ตัวเราไว้ว่าตัวเราอ่านหนังสืออันนั้นนั่นมันผิดค่ะมันผิดก็คือว่าไอตัวเราที่มันมันอ่านหนังสือเนี่ยมันมันคิดมันนึกมันตื่นตอนไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นก็คือมันมันก็เห็นอยู่ว่าไม่มีใครมายึดไอตัวเราที่คิดนึกตอนปรุงแต่งนั้นไม่มีใครมายึดมั่นถือมั่นนี่ปฏิบัติทําตลอดเวลาก็คือ เราก็รู้รู้ขันห้าตลอดรู้ตัวเราตลอดทําได้ตลอดเวล า, เาก็ตลอดเวลาเลยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราคือเป็นใจของเราเนี่ยเนี่ยเราจะไปนหนีใจของเราแท้แท้นี่ยเนีะที่มันรู้ตัวเราอย่างซื่อซื่อตรงไปตรงมาน айт, ี่ยเนีะอันนั้นมันเป็นธรรมเราจะไปนหนีมันได้ยังไงมันเป็นใจของเราแท้แท้เราอยู่ที่ไหนใจเราเป็นยังไงใจมันก็รู้ตัวเราเป็นยังไงลงตาสังเกตดูพวกเราว่ามันเข้าใจเข้าใจเข้าใจ แต่เอาข้อจริงเนี่ยรู si. ้ของพวกเรามันปรุงแต่งได้สังเกตดูสิรู้ของเรามันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้รู้ของเรามันอยากให้ตัวเราหนีพานได้รู้ของเรามันอยากมันอยากให้ตัวเราไม่ไม่ทุกได้รู้ของเรามันไม่ซื่อไม่ใช่เป็นเป็นรู้ซื่อๆอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นรู้ตัวเราแท้ๆจะตกไปตรงมาแต่รู้ของเรามันแส้มันมีความอยากได้ รู้ของเราเนี่ยมันรู้ตัวเราอยากให้เราดิพารู้ตัวเราอยากให้เราไม่ทุกข์รู้ของเราเนี่ยดีรักชั่วชังเกลีทุกข์รักสุขให้รู้ของเรามันรู้ไม่ซื่อไม่เป็นรู้มันเป็นธรรมมันเป็นตัวตุบปุงแต่งตัวขัดหน้าแต่ถ้ารู้เนี่ยมันก็คือเป็นธรรมชาติที่มันอย่างตรงไปตรงมามันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องรู้ตัวเราอย่าตรงไปตรงมาคือตัวเราเนี่ยคิดยังไงมันก็รู้อย่างอย่างที่เราคิดเนี่เราพูดยังไงมันก็รู้อย่างที่เราพูดเราก็ทำอะไรมันก็รู้อย่างที่เราก็ทํา รู้เนี่ยมันก็รู้อย่างตัวเราอย่าตรไปตรงมาแต่ถ้าเอาพวกเราส่วนใหญ่นะเข้าใจว่าเข้าใจแล้วเข้าใจนะแต่เข้าใจของเราเนี่ยมันเอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าไปรู้แล้วก็ปรุงแต่งสารพัดเลยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เกล็ดนั่นเกล็ดนี่รักนั่นชอบนั่นชังนี่อยากรู้ของเราเนี่ยมันอยากให้ตัวเราไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่มีทุกข์อยากให้เราเป็นสุขอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ยมันมันเป็นขันธ์ห้าที่ดุรู้เป็นตัวปรุงแต่งหมดแหละตั้งเกตดีให้ดีตีสังเกต็ดให้ดีดด อันั้นถ้าทุกขณกาปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดมีอารมณ์มีอาการกิริยาการใดๆก็ตามมันไม่มีใครไปยึดเลยทุกกิริยาการในใจไวๆไหวๆอย่างไม่มีใครไปยึดเนี่ยแต่เราไปหาตัวผู้รู้ไม่เจอนะไม่มีหรอกมีแต่ว่าทุกกิริยาการไม่มีใครมันไหวๆอย่างไงไม่มีใครมายึดทุกกิริยาการที่มันไหวๆทั้งกายและวาจาละจิตเนี่ยที่มันไหวๆไหวๆอย่างไงก็ตามไม่มีใครมายึดเลย มันตรงไปตรงมาเลยอย่าเป็นอย่างที่ตรงไปตรงมาสื่ๆอๆทุกกระาปัจจุบันอันนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นรู้โดยอัตโนมัติแล้วเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆแล้วแต่ถ้าเราพยายังไปหารู้ให้มันสื่อๆไว้พยายามทํารู้ให้มันสื่อๆไว้อันนั้นนะไอ้รู้ของเรามีความพยายามได้เป็นความปรุงแต่งเ น, นี่ยถึงแม้ลุงตาสังเกตดูพวกเราเนี่ยเข้าใจเข้าใจแต่รู้ของเรากลับผิดตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นรู้ของเราเนี่ยเป็นเอาขาน่าเป็นผู้รู้มันปรุงแต่งได้อยากได้ มีการกระเพิ่มได้มีการไหวตัวได้เกลียดทุกรักสุขดีรักชั่วชังได้ดีรักชั่วชงัชวชงเกลียดทุกข์รักสุขนะมันกลายเป็นว่าไม่ใช่รู้มันกลายเป็นเอาขันหน้าที่มันปรุงแต่งได้เป็นปรุงแต่งไปรู้เข้าใจไหมครับเอาใหม่พูดสิอ่ ะ, อ พ, ดดอะพูดให้มันชัดๆมันจะได้ทุกคนหายหลงพอหลวงพอหลวงตาพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะ มันก็เห็นในใจตัวเองที่มันแอบอยู่ว่ามันตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อรู้แล้วมันจะจะไม่ถูกมันก็คือเห็นเห็นตัวเองแล้วก็แล้วก็เห็นตัวเองที่แบบดิ้นดิ้นดินดินพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรตลอดเวลาคือปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆมันไม่ยอมที่จะแบบรับรู้ทุกจริงๆหรือสุขจริงๆนะ ถงบอกว่าเราเราไมเห็นอยู่เลี่ยไม่แกตอยู่เนี่ยคือรู้ของเรามันไม่ซื่อรู้ของเราเนี่ยมันมันไม่ซื่อมันไม่ซื่อมันมันเน่เราก็เห็นดูทุกคนเนี่ยมันมันเป็นรู้ที่ไม่ซื่อคือที่บอกว่าปฏิบัติธรรมอ่ะแต่ความจริงเนี่ยปรุงแต่งกิเลสปรุงแต่งกิเลสอยู่บอกปฏิบัติธรรมแต่ปรุงแต่งกิเลสอยู่ปรุงเยงเย่งยงยงอะไรเนี่ย คือมันไม่ซื่ออย่างนี้จะเอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาจะเอาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันปุงปุงปรุงปรุงคือปฏิบัติธรรมอะไรเป็นกิเลสตลอดเวลาเลยจะให้อยากให้ตัวเราเป็นโน้นเป็นนี่อยากให้ใจของเราเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้เอจิตมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่อยากให้ตัวเราทุกข์มันไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเราเกียดทุกข์รักสุขเกียดทุกข์รักสุขอันนี้ไม่ได้ปฏิบัััตตติิิิิิรรมมมนปปฏบบบกกกเลลแ้ว็อ ปฏิบัติทําแท้ๆเป็นทำแท้ๆคือทำเนี่ยมันมันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราพยายา ม, มปรุงแต่งไม่ได้แต่ทำแท้ๆมันปรุงแต่งไม่ได้มันรู้ตัวเราซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาคือตัวเรามันเป็นยังไงมันก็รู้อย่างตัวเราอย่างตรงไปตรงมาตอนเราคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอักุศลพูดดีพูดชั่วพูดบาปพูดอกกุศลทําดีทําชั่วทาบาปอกกุศลเนี่ย รู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่าอันใดมันดีมันชั่วมันเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลมันรู้แต่กิริยาการที่ไหวตัวไหวตัวของมันเนี่ยอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาแต่มันไม่รู้หรอกว่ากิริยาการไหวตัวทั้งการคิดการพูดการกระทำอันนี้เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันไม่รู้เลยมันไม่รู้เดี๋ยอย่างนี้เรียกว่าสุขอย่างนี้เรียกว่าทุกข์มันไม่รู้หรอกดูเนี่ยมันรู้ได้แต่มีอาการอย่างเนี้ยมีอาการอย่างนี้กันละกันมี แต่มันไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนกุศลพอเราให้ค่าปุ๊บเราเลยยึดถือเลยเราให้ค่าว่าอย่างเนี้ยมันมันมันดีมันชั่วมันสุขมันทุกข์มันบุญมันบาปเป็นกุศลนกกุศลเราเลยยึดถือเลยแต่เนี้ยมันเป็นปรุงแต่งมันเป็นปรุงแต่งอย่างสมมุติอย่างเนี้ยที่หลวงปู่จุมภะตุโลเนี่ยถ้าไปหาหลวงปู่มานเถอะคงงงงงแบบเนี้ยมันก็ ดีรักชั่วจางเกลียดทุกรักสุกอย่างเงี้ยมันเป็นของปรุงแต่งท้าก็ไม่เข้าใจว่าเราปรุงแต่งแต่รู้แต่แท้เนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรมันก็รู้แต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าหลวงปู่มั่นพลเรียนทศตั้งก็เลยโยนกระโถนโยนกระโถนไปใส่ข้างหน้าเนีกระโถนใครเป็นคนเรียกชื่อว่ากระโถนกระโถนเนี่ยมันรู้ตัวไหมว่ามันไป็ของมันมันชื่อว่ามันกระโถนกระโถนสำหรับที่เรา เอ่นบวนน้านลายกาบเสเลตต่างๆเนี่ยใครรู้ว่าว่ามันเป็นกระโถนใครเป็นคนรู้กระโถนไม่รู้ไหมกระโถนเนี่ยมันก็มันเป็นแต่กระโถนแต่มันไม่รู้เราว่าไอ้นี้ยมันชื่อว่ากระโถนไอ้คนไหนที่ที่ให้ตั้งชื่อคนนั้นก็เป็นทุกข์เพอะไรกระโถนเนี่ยซื้อมาจากตลาดใหม่ๆยังไม่ได้ใจเลยแล้วก็ไปตักน้ํามาให้เรากินเอาไปใส่น้ําเทน้ํามาให้เรากินเรากล้ากินไหม กระโถนใหม่ๆจากตลาดเลยเราไม่กล้ากินใช่ไหมแต่แก้วน้ำเนี่ยบางทีไม่รู้ผ่านมากี่ปากแล้วผ่านไม่ผ่านไม่รู้กี่ปากแล้วใส่น้ำมาให้เรากินแต่เพราะมันเป็นแก้วเราเรยดื่มโดยไมย่ไม่รังเกียจแต่กระโถนเนี่ยเป็นกระโถนใหม่ซื้อมาจากตลาดยังไม่ได้ใช้เลยใส่น้ำมาให้เรากินน่ะเรารังเกียจไหมเรารังเกียจ เพรานั่นเนี่ยไอ้ที่เราลังเกียจได้รักได้ชังได้มันเป็นตัวปรุงแต่งเรารู้แบบเราลังเกียจรู้แบบให้ค่าวะไอ้นนี้จะเอาอ้นี้ไม่เอาไอ้ยางงี้สุกไอ้ยางงี้ทุกข์ไอ้ยางงี้ดีไอ้ยางงี้ชั่วไอ้ยางงี้กระโถนกินน้ําไม่ได้เว้ยไม่เอาไอ้ยี้แก้วกินได้ทั้งที่แก้วเนี่ยผ่านปากคนไม่รู้มากี่ปากแล้วล้างมาให้เรากินแต่กระโถนน่ยซื้อมาจากตลาดใหม่ๆอ่ะามาให้เรากินเราไม่ค่ากินเราเห็นชัดๆว่าเรารู้แบบเรารู้ว่าปรุงแต่งเราไม่ซื้อนั้นธรรมชาติเนี่ย มันก็ได้แต่รู้ซื่อๆตรงไปตรงมาเราขยังมันก็รู้ว่าเราขยังเราก็อยากขยังมันก็รู้ว่าเราอยากขยังเราชอบเราชังเราเป็นอย่าง้นเป็อย่างนี้มันก็รู้อย่างตรงไปตรงมารู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้แต่ถ้ารู้ของเราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้หรือรู้ของเราเนี่ยมันปรุงแต่งได้มันอย่างนี้เกลียดอย่างนี้ชอบอย่างนี้ดีอย่างนี้รักอย่างนี้ชังไอเนี่ยมันไม่ซื่ออันนี้มันเอาขันห้าไปคนไปรู้ถ้าขันห้าไปรู้มันจะไม่ซื่อแต่ถ้ารู้ตัวเราเนี่ยมันจะรู้ซื่อคือตัวเราเนี่ย สุกมันก็รู้ว่มันก็มีอาการอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เนี่ยเรียกว่าสุกหรอกแต่มันมีอาการอย่างเงี้ยตอนนี้มีอาการทุกมันก็ไม่รู้หรอกเรียกว่าทุกแต่มันรู้มีอาการอย่างเงี้ยอมันคิดคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าคิดดี πα, คิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเรียกว่าคิดชั่วมันไม่รู้หรอกคิดดีคิดชั่วคิดบูคิดบาปคิดกุศลนะกุศลนั่นหะมันไม่รู้หรอกมันรู้แต่ว่ามีอาการอย่างเงี้ยมีอาการอย่างเงี้ยมีอาการไม่วหยตัวอย่างเงี้ยเวลาเราพูดมันก็รูู้้แต่่่วาาาามมมมีีีีีีีเเเสสยยยยงงงปปกกพดอ เวลาล่างกายเราขยับไปยัไงมันก็รู้เราเนี่ยร่างกายเป็นยังไงมีเรามีอาการเวทนาเป็นยังไงมันก็รู้ว่าเรามีอาการเวทนาไงแต่มันไม่รู้เลยว่านี่ดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลนักกุศลไอ้ดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลนัุศลเนี่ยมันบวกกับสติสมาธิปัญญาในขันห้าเข้าไปด้วยแล้วแต่เราก็ต้องยืมมาใช้ไงยืมสติสมาธิปัญญาในขันห้ามาใช้คือเราก็นํามาสติสมาธิปัญญาในขันห้ามารับรู้ อย่าที่มันเป็นว่าอย่าหลงไปฝึกใหม่ๆก็จะหลงไปดีไปอย่าหลงไปเนี่ยไปในทางที่ชั่วให้เป็นดีซะก่อนอย่าหลงไปในทางที่ชั่วให้เป็นดีซะก่อนอย่าหลงไปทางอกุศลให้เป็นกุศล so ให้เป็นกุศลซะก่อนคือต้องฝึกให้มันรู้ว่าดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาวรู้กุศลอกุศลซะก่อนแล้วต่อไปจึงมันเหนือสมมุต kind of ิไปทีอีกคือว่าดีชั่วสุขทุกบุญบากุศลอกุศลเนี่ยเป็นของสมมุติให้ปล่อยวางไป เพราะว่าใครเป็นคนให้ชื่อว่าอันนี้อันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้อันนี้เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลก็ปล่อยวางทีคือต้องเป็นเป็นเป็นบุญเป็นดีเป็นดีเหนือชั่วก่อนเเป็นกุศลเหนือเหนืออกุศลซะก่อนแล้วต่อไปไม่ติดไม่ติดทั้งดีทั้งชั่วพอเห็นว่าทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นตัวสมมุติอีกขั้นหนึ่งเข้าใจไหมอันเนี้ยอันไหนช่วยช่วยอธิบายละเอียดย้อนกลับมาหน่อยดิคือ คือถ้าดวงตาเปรียบเทียบกับกรโถนก็คือเหมือนประมาณว่ารู้รู้ว่ารู้ว่ามันก็แค่รู้แต่มันไม่รู้ว่าอันไหนสุขอันไหนทุกข์แต่ที่มันปรุงแต่งว่าทุกข์เนี่ยมันจะรู้สึกเกิดร้อนสุขนี่มันรู้สึกดีอ่ะมันคือตัวเราที่เราปรุงแต่งใช่ใช่ค่อยข้อท่าหน่อยเนี่ยก็แยกให้ออกระหว่างรู้ที่ปรุงแต่ง กับรู้แท้ๆที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้ <Yes. S 1> แยกให้ออกถ้ารู้ที่ปรุงแต่งได้มันไอตัวนี้มันไม่ทนทุกข์ <Yes. S 1> ถ้ารู้อย่างซื่อๆตรงไปตรงมาเป็นธรรมชาติที่ว่าไม่ใช่ว่าเอาตัวเราพยายามรู้ซื่อๆรู้ตัวเราซื่อๆอันนั้นเป็นธรรมชาติแท้ๆอย่าวตรงไปตรงมาถ้าเอาตัวเราไปรู้เนี่ยเหมือนกระโถนเนี่ยกระโถนมันซื่มอมายากตลาดใหม่ๆอะ่ะ เอาใส่น้ำให้เรากินเรากินไม่ลงเลยแต่แก้วน้ำมันเรนี่ยเราก็ต้องล้างปา่านมาไม่รู้กี่ปากแต่ตักน้ำให้เรากินเรากินได้แต่กระโทนซึ่งเมื่ใหม่ๆอย่างปรลาดตักน้ำให้เรากินเรากินไม่ได้อเนี่ยอันนี้นเป็นขันห้ารู้แบบขันห้าปรุงแต่งแต่ก็ต้องเนฝึกการฝึกก็ต้องฝึกอย่างกันมาก่อนคือต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาตรู้กุศนะกุศลแล้วก็ไม่หลงติดไปในฝ่ายบาปในฝ่ายกุศลเป็นดีก่อน เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแต่สุดท้ายก็ต้องเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือกุศลนือกุศลก็เห็นว่าดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งปรุงแต่งเพราะอะไรใครเอามารู้ดีว่าใครมารู้ชั่วอีกทีหนึ่งก็คือมาเป็นรู้ดีรู้ชั่วเหนือดีเหนือชั่วไม่ติดกเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะมันจะได้ไม่ก็คือแก้ปัญหาที่เราจะได้ไม่แบบ เกียรตทุกลักสุขใช่ไหมคะหลวงตาใช่ใถูกต้องมันจะได้ไม่ไม่เกียรักสุขดีรักชั่วช้างเกียรตทุกลักสุขบางทีเหมือนแบบเวลาทุกข์อาจจะดิ้นรนปฏิบัติมากกว่าเวลาสุขอีกค่ะพอเวลาสุขไม่เห็นก่อนอย่างนั้นแหละสุขมันก็เลยเพลินเพลินเจริญใจฮะมันติดสุขพอพอถึงเข่าทุกข์ปุ๊บมายามาปฏิบัติทำมาเลยสะกดจิตเลยเวลาความจริงมันตรงกันข้ามเวลาทุกข์ต้องไปหาเรื่องที่สบายใจไปหาสิ่งที่สบายใจ แต่เวลาพอไม่ทุกข์แล้วก็เลขปฏิบัติเขา้าแต่คนเราตรงกันข้ามคือเวลาทุกข์แล้วก็เปิดลาทุกข์เสร็จแล้วก็มานั่งปิดประตูเข้าห้องพระกดจิตนิ้งเงียบไอ้นีย่สะกดจิตตายเลยแต่เวลาเปิดเวลาไม่ไม่ทุกข์เปิดพอเจริญใจความจริงเนี่ยเวลาเรามเป็นปกติเนี่ยมันต้องรีบปฏิบัติแต่เราจะมาปฏิบัติเฉพาะตอนไปความทุกข์มันปฏิบัติไม่ได้แล้วไอ้เวลาทุกข์แล้วก็ต้องไปหาความเออเราก็ไปให้มัน ห า, หายทุกซะ ก, ก่อนนะมันไปหาอะไรมันผ่อนคลายซะ ก, ก่อนเอามันหายทุกเสร็จแล้วก็เห็นโทษว่าเพราะเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลาทุกเราเลยจมกับทุกเออตอนนี้ก็พอเราปปรเป็นปกติรีบปฏิบัติเข้ามันจะได้ไม่ไปจมกับอะไรอีก